เพราะคารวะพระเทาทุกเถระและขอเจริญพรญาติโยมสาธุช น, นทุกท่านรวมท่านท่านนายชีด้วยนะฮะอาตมาก็นับว่าโชคดีที่ได้มามีโอกาสเยือนอประเทศเยอรมันแต่ว่าไปรล้วนี่ก็เป็นการมาบรรยายธรรมครั้งแรกในยุโรปนะ แต่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มายุโรปเพราะว่าตมาสมัยที่เป็นคารวาสก็เคยมายุโรปหลายครั้งนะมาสมัมมนาบ้างมาประชุมบ้างนะแล้วก็เมื่อเป็นพระก็เพิ่งมายุโรปเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้มาบรรยายธรรมท้งนี้ก็ได้รับนิมนต์ให้มาบรรยายธรรมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เยอรมันแล้วก็ต่อด้วยสวิสแล้วก็สเปนะ แล้วก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสมายุโรปอีกเพราะว่าไม่ใช่มา ง, งง่ายๆนะยุโรปเนี่ยสำหรับพระนะฮะคัน้นี้ได้มาเห็นตัว เ, เรียกว่าความเจริญก้าวหน้านะของการศ า, าสนาในฝ่ายของไทยเราเนี่ยในเบอร์ลินแล้วก็ในประเทศเยอรมันโดยรวมเนี่ยก็ถือว่ามีความก้าวหน้า มีความเจริญงอกงามเพราะว่าตมาเคยมาที่เบอร์ลินเมื่อปีสามสี่นะช่วงที่กำแพงเบอร์ลินเขาเพิ่งล่มสลายใหม่ๆตอนนั้นก็เท่าที่จำได้เนี่ยดูเหมือนจะมีแต่สำนักสงฆ์นะไม่มีวัดนะในเบอร์ลินแล้วก็ในเยอรมันวัดก็ไม่ได้มากเหมือนทุกวันนี้แต่ ผ่านไป20กว่าปีเนี่ยก็ได้ทราบว่าในเบอร์ลินนี่ก็มีวัดถึง 4-5 วัดนะฮะแล้วก็ในเยอรมันนะก็มีอีกเป็น10นะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้านะของการศราสนาแล้วก็ในกานะเดียวกันก็เชื่อถึงว่าความใส่ใจในเรื่องการอุปถัมภ์พระสงฆ์ การบำบ u l o ศ า, าสนาของอคนไทยที่นี่เนี่ยก็มีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นและขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นโชคของคนไทยด้วยที่นี่นะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้สอบถามนะว่ า, าคนชุมชนคนลาวคนคเขมรเนี่ยเขามีวัดไหมที่นี่ก็ได้ทราบว่ายัางไม่มีนะของเราเนี่ยนะ การที่เรามีวัดนะ่และไม่ใช่แค่วัดเดียวเนี่ยห้าวัดนะมันต้องถือว่าเป็นโชคของเราเพราะว่าวัดในต่างประเทศเนี่ย <c oughs> ก็คือศูนย์กลางของชุมชนคนไทยนะคนไทยเนี่ยจะรวมกันติดได้ยากนะถ้าไม่มีวัดอันนี้จะประสบการณ์ที่จะมาไปาประเทศ หลายประเทศทางยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยเมื่อมีวัดเมื่อไหรเนี่ยนะก็จะมีชุมชมคนไทยเนี่ยอยู่แวดล้อมนะมีการมาพบปะ ก, กันเสาร์อาทิตย์นะมีกิจกรรมมีเทศกาลอะไรนะก็มาจาัด ก, กันที่วัดเนเช่นปีใหม่สงกรานไม่ได้จำกัดเฉพาะ เทศกาลทางศาสนาเท่านั้นนะซึ่งก็เท่ากับว่าทำให้ชุมชนคนไทยเนี่ยนะมีศูนย์กลางสำหรับการที่มาพบปะ ก, กันและทำให้การเกาะ ก, กลุ่มแน่นหนาซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อคนไทยเพราะว่าพวกเราเนี่ยมาอยู่เมืองซึ่งเป็นเมืองต่างภาษาและบางทีก็ต่างศาสนาด้วย ถ้าเราไม่ร่วมมือกันนะก็ยากนะที่จะมีชีวิตที่ผาสุกนะอัตามาก็เพิ่งคุยกับนักเรียนไทยในเยอรมันนะเมื่อเช้านี้นะก็ได้เห็นเลยนะว่าการที่นักเรียนไทยเนี่ยจะจะมีความสุขกับการเรียนแล้วก็จะมีความสำเร็จได้จากการเรียนเนี่ยการเกาะกลุ่มกัน นะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญที่จริงอันนี้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะว่าไม่มีใครเนี่ยสามารถจะอยู่ได้โดยลำพังความสุขหรือว่าความเจริญงอกงามของแต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความผาสุกและความเจริญงอกงามของหมู่คณะนะถ้าหากว่าหมู่คณะหรือว่าชุมชนเนี่ยนะ เจริงอกงามแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีความเจริญงอกงามไปด้วยเพราะว่าได้ช่วยเหลือการพึ่งพาอาศัยกันนะซึ่งการที่คนเราเนี่ยจะจะจะมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเนี่ยต้องมีศูนย์กลางนะศูนย์กลางที่สำคัญก็คือวัดนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทอตมาถึงบอกว่า พวกเราเนี่ยโชคดีนะแต่คนนี้บางคนเนี่ยก็อยู่ไกลวัดนะบางคนบ้านเนี่ยหรือครอบครัวก็อยู่ห่างจากวัดนี่ไม่ใช่แค่10กิโลยิกิโลแต่บางทีเป็นร้อยนะอาจจะไม่สามารถจะได้รับประโยชน์นะจากวัด อย่างสม่ำเสมอสิ่งหนึ่งที่ควรมีนะัก็คือนะการมีธรรมะเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจิตใจวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะส่วนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็ควรจะมีหลักนะก็คือธรรมะเนี่ยและธรรมะนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วัดเท่านั้นนะ ธรรมะเนี่ยอยู่ทุกขนทุกแห่งนะหลวงปู่มั่นเนี่ยผูริทัตโตท่านเคยกล่าวว่าธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าสําหรับผู้มีปัญญาหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเรียนธรรมะท่านรู้ธรรมะเนี่ยจากป่านะไม่ได้จากหนังสือไม่ได้จาก คำพีเช่นพระไตรปิฎกนะท่านรู้ธรรมะท่านเรียนธรรมะเนี่ยจากป่านะเราถึงแม้จะอยู่ในเมืองเราก็สามารถจะเรียนธรรมะรู้ธรรมะได้หากว่าเรารู้จักมองนะหรือรู้จักน้อมสิ่งต่างๆที่เห็นเนี่ยเข้ามาใส่ตัวธรรมะลักษณะหรือองคุณ ประการหนึ่งของธรรมะนะภาษาบาลีเรียกว่าโอปัญญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอ๋แล้วก็ตามที่เราเห็นเนี่ยแล้วเราน้อมเข้ามาใส่ตัวเช่นเราเห็นคนเมาแล้วเขาเอะอะโวยวายนะเขาทำตัวหน้าหน้ารังเกียจหน้าระอาเนี่ยถ้าเราน้อมเอาสิ่งที่เราเห็นเข้ามาใส่ตัวเราก็จะเกิดความไม่ประมาทเกิดความสงวนระวัง ว่าเออเราจะเป็นคนอย่างนั้นนะเราเห็นคนบางคนใจร้อนเอะยวายนะชอบตะโกนด่าว่าผู้คนหรือชอบนินทาเนี่ยแล้วก็กลายเป็นที่รังเกียจที่ระอาของผู้คนเนี่ยถ้าเราน้องเข้ามาใส่ตัวเราก็จะเกิดคติหรือบทเรียนว่าเออเราจะเป็นอย่างเขานะคนคนนั้นเนี่ยสอนทำไม้กับเราคนเมาเนี่ยสอนทำไม้กับเราได้ คนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยสอนธรรมะให้กับเราได้สอนทห้เราเห็นว่าคนเห็นแก่ตัวอันนั้นเนี่ยจะไม่เป็นที่รักจะไม่เป็นที่เคารพของผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ว่าเราจะอยู่ไหนเนี่ยเราสามารถจะน้อมนำให้เกิดธรรมะขึ้นในจิตใจของเรา หลายคนที่แม้จะอยู่ไกลวัดอาจจะไม่ค่อยดีมกาก่อฟังธรรมนะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักมองนะแม้แต่มดแม้แต่พึ่งมันก็สอนทำมาให้กับเราสอนอะไรนะสอนเรื่องความขยันหมั่นเพียร น, นะในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระบางรูปเนี่ยท่านมีความท้อแท้ในการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลนะ ใคท่านท้อแท้เนี่ยเบื่อหน่ายนะอยากจะลาสิกขาอยากจะเลิกการปฏิบัตินะท่านเห็นช้างช้างเนี่ยควานช้างเนี่ยนะสามารถที่จะบังคับให้มันนั่งนะสามารถจะบังคับให้มันทำอะไรก็ได้ท่านก็เกิดอนุสติขึ้นมาว่าโอ้ แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ยังฝึกได้นะแล้วทําไมใจเราเนี่ยจะฝึกไม่ได้ทําไมเราจะทอ้อบางท่านเนี่ยนะท่านเห็นวัวเนี่ยนะเห็นควายเนี่ยมันตกลมแล้วควายมันก็พยายามที่จะขึ้นมาให้ได้จากลมมันไม่ยอมทอ้อไม่ยอมถอยท่านเห็นแล้วก็เกิดกําลังใจว่ า, วาเนี่ย ข, ขนาดสัตว์นี่มันยังไม่ทอ้อถอยเลยแล้วเราเป็นคนเนี่ยเอาเป็นมนุษย์เราจะทอ้อถอยได้อย่างไร ทั้งสองท่านที่ว่ามาเนี่ยท่านเห็นจากเห็นสัตว์เนี่ยนะแล้วท่านก็เกิดทำรร ม, มากขึ้นมาได้คติธรรมเนี่ยจากสัตว์ท่านก็เลยไม่ท้อถอยไม่คลายความเพียรนะเกิดเกิดอุตสาหะแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้นะกับอุปสรรคและสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์นะ เราอาจจะไม่ใช่ไม่ได้อยากเป็นพาาระอรหันต์อย่างท่านนะเราก็อยากจะเป็นแค่ปุถุชนแต่ปุถุชนอย่างเราเนี่ยนะก็บางครั้งก็ต้องประสบอุปสรรคนะบางครั้งก็เจอความยากลำบากแต่ว่าถ้าเรานะรู้จักพิจารณานะรู้จักมองเราก็สามารถจะเกิดธรรมะและธรรมะนี่แหละจะช่วย ทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะอาตมาถึงถึงอยากจะกล่าวว่าเราทั้งหลายเราแต่ละคนเนี่ยนะจำเป็นที่จะต้องมีธรรมะเนี่ยเป็นเป็นหลักของชีวิตเอาไว้ธรรมะในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงศีลนะไม่ใช่หมายถึง การรู้จักให้ทานเท่านั้นนะแต่รวมถึงการที่เรารู้จักภาวนารู้จักฝึกจิตฝึกใจด้วยาศาสนาและธรรมะเนี่ยให้ประโยชน์กับเราได้มากมายแต่ตามาสังเกตนะว่าชาวพุทธเราเนี่ยยังหาประโยชน์จากธรรมะเนี่ยน้อยเกินไป คนไทยเป็นผู้ไฝ่ทำบุญไฝ่ทำกุศลก็จริงแต่ว่าเรายังเห็นอนิสงหรือเรายังรู้จักกับอนิสงของบุญเนี่ยน้อยเกินไปหลายคนเวลาทำบุญเนี่ยนะก็อยากจะร่ำรวยอยากจะมีโชคอยากจะประสบความสำเร็จ อยากจะมีสุขภาพดีมีอายุยืนนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยดีทั้งนั้นนะเราเรียกสั้นๆว่าเ จ, า ต, จาตุรพิธพรชัยนะพรสีประการคืออายุวันนาสุขาพละหลายคนเนี่ยมาทำบุญก็หวังพรสีประการนี้นะแต่ที่จริงแล้วบุญเนี่ยนะให้เราได้มากกว่า น, นั้นนะการทำบุญนะ ไม่เพียงแต่นํามานะซึ่งอายุวันณัสุขภาภละนํามาซึ่งทรัพย์สมบัตินะหรือว่าความสําเร็จซึ่งเรียกย่อยๆว่าความสำเร็จทางโลกเช่นการมีครอบครัวดีการมีงานดีการมีมิตรดีครอบหรือว่าสุขภาพดีหลายคนก็ปรารถนาอานิสง์ของบุญในรูปนี้นะแต่ถ้าระหวังแค่นี้เนี่ยนะ ก็ถือว่าเรายังหวังน้อยไปเพราะว่าบุญหรือธรรมะเนี่ยสามารถจะให้เราได้มากกว่า น, นั้นนะให้อะไรนะให้ความสุขใจให้ความสงบเย็นสิ่งที่เราเรียกว่าความสาเร็จทางโลกนะจะเป็นเงินงานดีเงินดี สุขภาพดีครอบครัวดีเนี่ยทางพระเราเรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันทิฏฐธรรมิกตถาแต่ในทางพุทศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ชั้นต้นเป็นประโยชน์ชั้นต้นมันยังมีมากกว่า น, นั้นซึ่งท่านเรียกว่าสัมประยิกตถะสัมประยิกตถะเนี่ยบางทีมันก็แปลว่าประโยชน์ในภพหน้าแต่อีกความหมายนึงคือประโยชน์นที่มันเลยพ้นจากสิ่งที่มองเห็นด้วยตาสัมผัสได้ด้วยได้ด้วยมือ ก็คือประโยชน์ทางจิตใจนะเช่นการมีศรัทธานะการมีปัญญานะการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็รวมไปถึงความสงบเย็นในจิตใจนะมีเงินมากมาย แต่ถ้าวางใจไม่เป็นมันก็ทุกนะหลายคนคิดว่านะถ้าฉันรวยนะฉันพอละชีวิตฉันสำเร็จละแต่แเราก็พบว่าคนจำนวนมากเนี่ยแม้จะมีเงินมากมายแต่เขาทุกข์อ่ะเขานอนไม่หลับเวลาจะนอนก็เอามือไก่น้าผาเขาเครียด บางคนเนี่ยค่าตัวตายก็มีนะเมื่อสองสามเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีชาวเยอรมันคนหนึ่งรวยมากและมีชื่อเสียงมากมีชื่อเสียงเพราะว่าเขาเป็นคนค้นพบวิธีการทําให้หน้าเต่งตึงนะพากเราคงทราบไหมวิธีการทําให้หน้าตึงก็หรือว่าหนุ่มสาวเนี่ยกว่าไวเนี่ยก็ใช้วิธีชเช่นฉีดโบตอกดึงหน้า ไอ้วิธีนี้มันมาจากมาจากเศรษฐีเยอรมันคนนี้นะรวยมากนะสามารถจะช่วยทําให้คนมีความสุขเพราะว่ามีใบหน้าที่แต่งตึงมีผิวพรรณสดใสแต่ปรากฏว่าแก่ไปโรคซึมเศร้าแล้วฆ่าตัวตายแกรวยมากแกมีชื่อเสียงไม่มีความสุขครับฆ่าตัวตายนะประสบความสําเร็จทั้งโลกแต่ว่าไม่พบความสงบเย็นในจิตใจ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราหวังนะหวังอนิสง์จากบุญเพียงแค่ว่าขอให้รวยขอให้สำเร็จขอให้มีบ้านหลังใหญ่ขอให้มีสุขภาพดีแต่เราไม่รู้จักหรือไม่สามารถจะค้นพบความสุขในจิตใจได้เนี่ยชีวิตอาจจะเป็นชีวิตที่เราทมทุ ก, ก็ได้นะ คนที่จะมาพูดมาแล้วก็มีหลายคนเนี่ยนะสุขภาพเขาก็ยังดีอยู่นะเงินเขาก็มีชื่อเสียงเขาก็มากนะแต่เขาไม่ไม่รู้จักการวางใจเขาไม่พบความสงบเย็นในจิตใจนะสุดท้ายเขาก็ฆ่าตัวตายหรือถึงไม่ฆ่าตัวตายก็เครียดนะความเป็นโรคเป็นโรคอ่ามีความดันขึ้นหรือเป็นโรคหัวเป็นโรคหัวใจหรือว่าถึงแม้ไม่เป็นโรคหัวใจแต่ว่า มีความกลุ่มหมวกลุ้มใจอยู่เป็นนิดเนี่ยชีวิตแบบนี้จะเป็นชีวิตที่มีความสุขไหม <c oughs> จะว่าไปแล้วเนี่ยสุขหรือทุกข์เนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มันเกิดมันอยู่ที่ว่าเราวางใจอย่างไรแม้จะเจ็บจะป่วยนะ แต่ถ้าวางใจเป็นมันก็ป่วยแต่กายนะแต่ใจสงบเย็นอา จ, จะมาเจอรู้จักหลายคนนะที่เขาบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งนะขอบคุณโรคมะเร็งเพราะอะไรฮะเพราะว่ามะเร็งได้ทำให้เขามาพบกับความพบกับธรรมะ มะเร็งทำให้เขาได้พบกับความสงบเย็นในจิตใจถ้าเขาไม่เป็นมะเร็งเขาก็ไม่คุนขวายมาศึกษาธรรมะแต่เมื่อเขาศึกษาธรรมะเนี่ยทีแรกเขาคิดว่าธรรมะช่วยเขาทำให้เขากลหายกลัวตายแต่ว่าศึกษาไปศึกษาไปเออธรรมะมีมากกว่านั้นนะศาสนาพุทธไม่ได้เป็นเรื่องของการบ่นบานสารกล่าวหรือว่าขอให้ หายเจ็บหายป่วยเท่านั้นแต่ว่าศาสนาเนี่ยสามารถจะเยีออยวยาจิตใจได้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมะล้วนๆพอได้มาศึกษาธรรมะก็พบว่าความสุขที่แท้จอยู่ในใจเมื่อได้ทําสมาธิภาวนาได้พบกับความสงบเย็นในจิตใจก็รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยได้พบชีวิตใหม่ แล้ที่พบชุดใหม่ได้กับพ่ออะไรเพราะมะเร็งมันผลักให้เข้ามาหาธรรมะถึงแม้ว่าเขายังเจ็บเ้าป่วยนะแต่ว่าเขามีความสุขอัตมารู้จักเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นมะเร็งต้นนมตอนนี้เธอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเธอเล่าว่าช่วงสองปีสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่เธอมีความสุขมากไม่ใช่เพราะมะเร็งหายมะเร็งก็ยังอยู่ในตัวแต่ว่า เธอได้พบธรรมะและทำให้รู้จักปล่อยวางคนเราเนี่ยพอปล่อยวางแล้วเนี่ยนะมันก็จะเกิดความเบาที่ใจกายป่วยนะแต่ว่าใจสงบเย็นอันนี้คืออ น, นิสง์ของธรรมะคืออ น, นิสงค์ของบุญกุศลนะที่เราสามารถจะสัมผัสได้ แต่ถ้าเราไม่เจออนิสงของธรรมะของบุญกุศลในแง่นี้นะถึงแม้จะได้โชคได้ลาบก็อาจจะทุกข์ก็ได้เพื่อตมาเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักเล่นหุ้นนักเล่นหุ้นแบบมีชื่อมากแต่ตอนนี้เลิกเล่นไปแล้วที่เลิกเล่นก็เพราะว่าอยากอยากจะมีความสุขก่อนหน้านี้แกบอกว่าเนี่ยอยากได้เงินแล้วแกก็รู้นะว่า ถ้าจะเล่นหุ้นเนี่ยจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะเล่นหุ้นก็คือต้องเลือกเอาเงินแต่ไม่ได้ความสุขตอนที่มีเงินแล้วขอเอาความสุขละนะก็เลยเลือกเล่นหุ้นแต่ตอนที่เขายังเล่นอยู่เนี่ยเขาเพราะเล่าว่าเคยไปเจอคุณป้าคนหนึ่งคุณป้านี่ก็เล่นหุ้นเหมือนกันซื้อถูกขายแพงคุยไปคุยมาคุณป้ า, บ, าบอกว่าเพิ่งขายหุ้นไปตัวหนึ่งตัวใหญ่เลยนะลรถใหญ่เลยนะ ได้กําไรสิบล้านบาทเพื่อตามาก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กําไรยี่สิบล้านคุณป้าได้สิบล้านนะไม่มีความไ ม, ไม่ไม่ดีใจนะสิบล้านนี่มันเท่ากับลอตเตอรี่กี่ใบนะลอตเตอรี่วันที่หนึ่งอ่ะสี่ใบหรือห้าใบอะ คุณป้าเนี่ยได้กำไรสิบล้านแต่ไม่มีไม่มีความสุขไม่ดีใจเ <c oughs> พราะอะไรเพราะแกไม่ได้คิดว่าแกได้สิบล้านแกคิดว่าแกเสียสิบล้าน <c oughs> ถ้าคุณถ้าคุณมองไม่เป็นวางใจไม่ถูกนะได้คือเสีย <c oughs> นะแต่ถ้าคุณวางใจเป็นนะเสียคือได้อย่างเงี้เพื่อธรามาเนี่เป็นมะเร็งเนี่ยมันเสียใช่ไหมแต่เขาได้ธรรมะ <c oughs> บางคนเนี่ยนะถูกน้ําท่วมปีห้าสี่ โอเสียเสียข้าว ข, ของไปเยอะเลยนะแต่แกไม่ไม่เสียใจนะปีห้าสีเนี่ยเสียน้าท่วมนี่หนักมากนะบางคนไม่ใช่แค่เสียทรัพย์เสียจริตเราก็บางคนเสียชีวิตเพราะว่าค่าตัวตายแต่ก็มีบางคนที่เสียเงินเสียทรัพย์แต่ว่า สำหรับเธอเนี่ยได้ธรรมะก็คือเธอเล่าว่าเนี่ยน้ำท่วมมาสอนให้เขารู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงสมบัติทั้งหลายนี่มาอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวอ า, อาตมาชื่อว่าการที่คนคนนี้เนี่ยนะได้เห็นว่าเออได้เห็นธรรมะว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลย อย่างแท้จริงเนี่ยคนที่เห็นแบบนี้เนี่ยถือว่าได้กำไรนะเพราะว่าทรัพย์เนี่ยหาใหม่ได้มีเงินก็ซื้อได้แต่ว่าธรรมะเนี่ยคุณมีเงินเท่าไหร่คุณซื้อไม่ได้นะและถ้าคุณมีธรรมะข้อนี้เนี่ยแม้คุณจะเสียอีกก็จะไม่ทุกข์เพราะรู้ตั้งแต่แรก หรือวางใจตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเสียไปใจก็ไม่ถุกนี่คือความหมายที่ว่าถ้ามีธรรมะนะได้อาเสียคือได้แต่ถ้าไม่มีธรรมะวางใจไม่ถูกได้คือเสียได้สิบล้านแต่ว่าเศร้ายังไม่จบนะฮะวัดลุมงขึ้น คุณป้าก็ไป ม, มาที่ตลาดทุนเพื่อตะมาก็เลยไปถามปกติแกมาทุกวันนะเพื่อตะมาก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าคุณป้าหายไปไหนก็ได้ก้อต่อคุณป้านเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วทราบไหมฮะเข้าเพราะอะไรเข้าเพราะเครียดนะที่ได้10ล้านนะหลายคนทําบุญเพื่อได้10บล้านใช่ไหมหลายคนทำบุญเพื่ไพอได้เงินล้านแต่คุณน่าใจได้อย่างไรว่าได้แล้วจะมีความสุข ถ้าคุณวางใจไม่เป็นเนี่ยนะได้เนี่ยอาจจะนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยมีพ่อค้าเรค่คนหนึ่งเนี่ยแกถูกหวยถูกรัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งแกได้ยี่สิบล้านนะสำหรับหลายคนในยี่สบล้านคือไม่ต้องทำอะไรแล้วชีวิตนี้นะอยากได้ให้ยี่สบล้านเนี่ย ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐยี่สิบล้านหนึ่งเดือนต่อมาก็ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐอีกเหมือนกันแต่เขานี้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นขึ้นอีกง่ายหนึ่งก็คือว่าพ่อค้าเล่นนะเครียดจากซดยาพิษค่าตัวตายแค่หนึ่งเดือนนะเป็นคนละเรื่องเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่า พอแกได้ยี่สิบล้านเนี่ยนะก็มีคนใครต่อใครเนี่ยมากุ้มลุงขอขอเงินจากแกแกก็ดีนะแกก็ให้นะแต่ว่าคนที่ได้เนี่ยไม่พอใจหลายคนก็มาอ้างว่าเป็นเป็นพี่เป็นญาติใช่ไม้มฮะเป็นเพื่อนอ้างนิ่อ้างบุญคุณแกให้แต่เขาไม่พอใจเพราะว่า แกให้มืน่นเขาอยากได้แสนเขาก็ไม่พอใจไอคนที่ได้มืน่นนะไม่มีความสุขนะเพราะอยากได้แสนแล้วยังไงฮะก็มีบางคนโทรมาขู่ฆ่าแกโทรมาขู่ฆ่าลูกแกแกเครียดแกก็เลยเอาน้ํายาล้างห้องน้ำเนี่ย กรอกใส่ปากแต่ว่าลูกสาวเนี่ยมาช่วยมาเจอทันก็ช่วยพาส่งโรงพยบาบาลรอดตายนักข่าวไทยราไปสัมภาษณ์นะแกพูดอย่างนี้นะว่าเนี่ยตอนเป็นพ่อข้าหาบเล่เนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนนะ แกเพิ่งเห็นสยจะทำนะว่ารวยนี่ก็ไม่ได้มีความสุขนะรวยเนี่ยอาจจะกลายเป็นทุกขาลากก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราตระหนักนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตเราจริงเนี่ยนะมันไม่ใช่เงินทองเงินทองก็มีประโยชน์แต่สิ่งที่เป็นความหมายกับเราคือความสุขใจและสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือ สิ่งที่ธรรมะเนี่ยจะสามารถจะอำนวยให้กับเราได้นะถ้าเราคิดแต่หวังว่าเออทำบุญแล้วจะรวยทำบุญแล้วจะรวยเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นหลักประกันเลยว่าจะมีความสุขอย่างแท้จริงมีเรื่องเล่าว่ามีชายหนุ่มคนนึ่งไปหาหลวงปู่ดู่วัดสแก่วัดสแก่อุทยานะ เขาบอกว่าเนี่ยเขาเพิ่งไปชอบพอระอุปคุตมาหลวงพ่อก็ถามว่าชอบไปทําไมหลวงปู่ถามนะชอบไปทําไมอยากรวยครับหลวงปู่ท่านก็เลยพูดเบาๆว่ า, วารวยกับซวยนี่มันใกล้กันนะหมายความว่าไงหลวงพ่ อ, อหมายความว่าไงหลวงปู่ที่แรกบอกว่ามันเขียนคล้ายๆกันแต่ท่านอธิบายต่อไปว่าเนี่ยนะรวยเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องรักษา รักษาก็ต้องเหนือ่อยการรักษานะที่จิมันเหนือยเนี่ยตอนหามาแล้วนะเป็นทุกข์เพราะพรรักษา เ, าเป็นทุกข์เพราะหามาได้มาแล้วก็ต้องรักษาก็ทุกข์อีกแล้วถ้ามีคนหายถ้าหายไปหรือมีคนอาปก็ทุกข์อีกนะเนี่ยท่านก็เลยบอกอธิบายเนี่ยรวยเนี่ยกับซวยเนี่ยมันใกล้กันตรงนี้ท่านบอกว่าอย่าเอารวยเลยนะเอาเอา ความดีดีกว่านะความดีที่ท่านพูดเนี่ยนะท่านก็หมายถึงเรื่องของการที่เรามีนะมีใจที่เป็นบุญเป็นกุศลและเราจะได้พบกับความสงบเย็นในใ จ, ใจิตใจนี่คือประโยชน์ที่เราน่าจะได้รับจากธรรมะได้รับจากพุทธศาสนานะ แล้วมันมีประโยชน์ที่สูงกันอีกนะเป็นประโยชน์สูงสุดเรียกว่าปรมัตฐานะประมัตฐานนี่คือนิพพานนั่นเองคือความสงบเย็นที่เกิดจากจิตที่ปล่อยวางนะปล่อยวางคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความสุขใจที่สูงสุดนะอาตมาว่าเนี่ยเรามารู้จักพุทธศาสนาเรามา มาวัดเรามารู้จักบุญกุศลเนี่ยเราควรจะได้รับประโยชน์จากาศาสนาอย่างเต็มที่และประโยชน์ที่ว่านี่นะก็คือเนี่ยปรมาถะคือนิพพานแม้จะยังไม่ถึงแต่ว่าได้รู้จักเอาไว้ก็ยังดีนะ อาตมารู้สึกว่าคนไทยเนี่ยชาวพูกเราส่วนใหญ่เนี่ยมักน้อยนะแค่หวังรวยนะทางที่พุทธศาสนาเนี่ยให้เรามากกว่านั้นนะความสงบใจและความพ้นทุกนะยิ่งเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยคือวันวิสาขะเนี่ยมันยิ่งวันอย่างนี้น่นนาจะเตือนใจให้เราตระหนักนะว่าสิ่งที่เราจะสิ่งที่เราจะได้จากชีวิตนี้เนี่ย มันมีมากกว่าความร่ำรวยมันมีมากกว่าความสำเร็จในการงานมันมีมากมากกว่าการมีชื่อเสียงเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ช่วยคนทุกนะคุณมีเงินก็ไม่ใช่ว่าจบคนทุกมีเงินแล้วยังต้องแก่ต้องเจ็บใครคนรวยคนไหนบ้างที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่พัพกรากสูญเสียบ้างศาสตราจารย์รคนไหนนะนักการเมือง นากรัฐมนตรีคนไหนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่พัดพรากสูญเสียบ้างนะทุกคนก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องทําให้เราทุกข์ความแก่ความเจ็บความพักรากสูญเสียสูญเสียคนรักสูญเสียลูก ไม่จำเป็นต้องทำให้เราทุกข์ก็ได้อะไรที่ทำให้เราไม่ทุกข์เมื่อเราเจอสิ่งเหล่านี้นะธรรมะฮการเข้าใจความจริงของชีวิตจนกระทั่งลดหรือละวางความยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าคุณคิดว่าเกิดมาแล้วเนี่ยนะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยและไม่ตายเนี่ย ก็ไม่ต้องสนใจธรรมะก็ได้แต่ถ้ารู้ว่าชีวิตเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้และรู้ว่าเรายังรับมือกับมันไม่ได้ก็ต้องลองนึกถึงธรรมะและต้องเป็นธรรมะที่มากไปกว่าสิ่งที่ตมาพูดมานะธรรมะที่ทำให้เราประสบความสุขในชีวิตเนี่ยเป็นของดีนะแต่ว่ามันมีธรรมะที่ทำให้เราเนี่ยไปมากกว่านั้น พบความสุขที่แท้ยิ่งกว่านั้นได้นะธรรมะที่พระเจ้าทรค้นพบเนี่ยในวันวิสาขะในวันที่คล้ายวันวิสาขะบูชาเนี่ยนะก็คือธรรมะรู้สัจธรรมที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะอยู่เหนือความเกิดความแก่ความเจ็บความพัดพราวและความตายได้อยู่เหนือในความหมายแรกคือว่า ไม่ทุกเมื่อแก่ไม่ทุกแม้จะพัดพรากนะมีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะในสมัยพุทธกา ร, รนางมาลิกานางมาริกาเนี่ยเป็นเป็นเป็นภรรยาของพันธุละเสนาบดีพันธุละเป็นเส น, นาบดีคู่ใจของ พ, พระเจ้ารปเสนยิโกศน เรียนจากสำนักตกศิลาธิสาประโมกมาด้กันนะพันธุลานี่รู้สึกจะอยู่เมืองเวสาลีนะแต่ว่ามีมีเรื่องขัดแย้งกันในหมู่ญาติก็เลยมามาเชตมาสวัตถีพระเจ้าเปสนุกสนสนก็ต้อนรับเพราะเป็นเป็นสายสนิทให้เป็นเสนาบดีคู่ใจเก่งมากความฝีมือพอๆกันในเรื่องของ าการยุดนะแต่ว่ามีคนไม่พอใจอิจฉาพันธุระก็เลยเป่าหูพระเระจ้าปเสนกศนตนพระเจ้าปเสนียุกศนนี่ก็หูเบานะเชื่อว่าพันธุลเนี่ยจะคิดคดเป็นกบฏก็หาทางกำจัดหลอกให้ไปที่ชายแดนไปป่ า, าบกบฏที่ชายแดนพร้อมกับลูกชายสามสิบสองคนมีเป็นฝาแฟสิบคู่นนะ เก่งทั้งหมดเลยนะส่งไปทําไมฮะเพื่อไปรอบฆ่าแปลว่าฆ่าสตล์หมดเลยนะสำเร็จหมดเลยก็มีข่าวมีคนส่งข่าวมาถึงนางมริกาข่าวนั้นมาถึงตอนเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นาเมริกาเนี่ยกำลังถวายกําลังเลี้ยงพระก็มีพระเจ้ามีพระสารีบุตรแล้วก็พระมคคลลานะเป็นประธาน มีจดห ม, มายมานางเมริกาได้ได้อ่านว่าสามีและลูกทั้งสิบสามสองคนตายหมดอ่านก็เก็บใส่ชายพกแล้วก็ทำงานต่อนะถวายของอังคาดพระสายริบุตรพร้อมกับคนใช้ น, ะนางทาสีในช่วงนั้นเองเนี่ยนางทาสีเนี่ยเกิดทำถ้วยถ้วยใส่เนยเนี่ย ตกแตกแตกดังเพลงเลยพระเซนหบุก็เลยพูดปลอดใจนางมริกาว่าของที่มันแตกได้มันก็แตกไปแล้วอย่าเสียใจเลยนางมริกาบอกว่าเมื่อเช้านี่นะดิฉันนะเพิ่งได้ข่าวว่าสามีและลูกทั้งหมดเนี่ยตายถูกฆ่าตายเนี่ยอัตมา ย, ยังไม่เฮ็ดิฉันยังไม่เสียใจเลยนัปภาษาอะไรกับไอ้ถ้วยเนย เพราะสายลิบุไม่รู้นะว่านางมาริกานเนี่ยทำมากถึงไหนแต่เห็นหมะคือเนี่ยเป็นตัวอย่างคนที่เรียกว่าพอเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยนะแม้คนรักจะตายจากไปจิตใจก็ก็เป็นปกติเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาเพราะร่วมเป็นสัจธรรมนะธรรมะว่าถ้าพวกเรามีได้เข้าถึงธรรมแบบนี้เนี่ยจะอยู่ในโลกนี้ได้มีความสุขไม่ว่าจะไม่ว่ามีอะไรมากระทบก็ จิตใจก็ไม่วันไหวใครก็ต่อว่าด่าทออย่างไงก็ไม่บน่นวอยวายใครก็จะนินทายอย่างไรก็ก็สงบเย็นได้อัปโหลดขึ้นเซตบลูแล้วเพื่อนไม่กดไลค์ให้ก็เฉยเยนะไม่รู้สึกทุกข์อะไรนะนะถึงแม้ว่าจะเจ็บปว่วยเวลาจะจ็ป่วยนะโอเป็นมะเร็งก็ไม่บน่นวอยวายทำไมต้องเป็นชั้นร่วมเป็นธรรมด า, นะม า, าธรรมะอย่างนี้ต่างหากนะที่เราควรจะรู้จัก นะและนี่คือสิ่งที่ศ า, าสนาเนี่ยจะให้กับเราได้นะแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เคยได้ยินเลยว่าธรรมะเนี่ยให้สิ่งเหล่านี้กับเราได้นะก็ถือว่าจะเรียกว่าอะไรไอการเป็นชาวพุทธของเราเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยเดี๋ยวถ้าพูดแรงหน่อยคือว่าเสียชาติเกิดที่เป็นชาวพุทธถ้าไม่รู้จักธรรมะแบบนี้นะ อยากจะแนะนําให้เราเนี่ยได้ได้มาใช้ประโยชน์จากได้มาหาประโยชน์จากธรรมะนะให้เต็มที่นะไม่ใช่เพียงแค่หวังรวยไม่ใช่เพียงแค่วังาหายป่วยหวังมีชื่อเสียงพรนะเจ้าตรัสรู้เพราะเห็นนี้ฮะพรนะเจ้าตรัสรู้เพื่อให้เราเนี่ยได้พ้นทุกจากสิ่งเหล่านี้นะพระเจ้าไม่ได้ตรัสรู้มาเพื่อให้เรา หวังความร่ำรวยเป็นสารณะก็พระองค์เนี่ยยังอุตส่าห์ทิ้งภาษาสามฤดูมาเนี่ยนะเพื่อจะค้นพบศัจธรรมงั้นถ้าเราซีเรียดกับวันวิสาขาบูชาจริงเนี่ยนะเราก็ต้องตระหนักว่าศึกษาว่าพระเจ้าเนี่ยทรงยอมเรียกว่าเสี่ยงตายเนี่ยนะต้องเสี่ยงตา ย, ยาจริงนะฮะ<ม>เพื่ออะไรและทรงค้นพบอะไรนะ นั้นถ้าเราถ้าเราถ้าเราถ้าเราศึกษาไต่ตรองพิจารณาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเนี่ยและเราเห็นคุณค่าของหรือเราซีเรียสกับเรื่องพระนิพพานเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยเราบูชาคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะเพราะว่าที่ท่านรรมาทั้งหมดเนี่ยนะก็เพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ ไม่ได้เพื่อพระ อ, องค์เองนะแต่เพื่อวิญโยณสรบปะสัตว์เพื่อค้นถ่ายสัรพสัตว์ให้พ้นจากวตาสงสารอานะตมาก็คิดว่าใช้เวลาพอสมควรแล้วนะก็อยากจะให้คุณอังคณาดได้พูดบ้างนะ <c oughs> <c oughs>